พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าทดแทนคืนพระคุณหลวงตาเมื่อนี่เป็นวันที่6 กระาคมพุทธศกกราช 2,560 เป็นอย่างลงพอจะได้มาฉันยู่วัดร่วมทำมือหนอิลงพอออกมาจากวัดเต็งเต็มตมือว่านอลูกหลานออกมาตอนเทียงพอมาแล้วก็มาทำธุระอำเภอบ้านผือได้หน่อยหนึ่งแล้วก็มาแวะเขาไปวัดปลาบ้านตาด เพื่อไปดูที่เขาว่างเสาเข็มที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตากำลังไปเทศนำนักยกเสาไฟฟ้าคือไปตั้งหัวต่อหมอว่าต่อหมอที่ตอกลงไป22ตนน่ะตนละ21เมตรน่ะจะรับกำนักได้มากหน่อยแค่ไหนแต่เมื่อวานเขา ก็บอกว่าเขาเทดเบื้องล้วมันลงไปนิดหน่อยเพียงมิ้นสองมิ้นแต่ว่าสีถมเมื่อวานนี่แหละก็จะเลยรูจักว่าจะรับน้าหนักได้มากขนาดไห น, นคือเขาไปขึ้นไปว่างแล้วก็ต้องใช้กล้องทดสอบเบื้องแล้วก็ยกขึ้นไปอีกฟังๆเบื้องล้วก็โห้หลายรอยหลายรอยตัดในวันนีไปที่เขา เทปมือวาน่าแต่ก็บ่าซีทุ่มจะหลูจักแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ถามว่าเป็นยังไง ท, ที่เสาเข็มตอกลงไป22เมตร21เมตรเสา22ตน้นนี่เป็นการทดสอบทดลองพอเห่าจะได้สั่งเสาเข็มมาใส่วาในหลวงพ่อเข้าไปไปก็ไ้ไปเว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเจดียด์องค์หลวงตานะนะั่นแ่ะ ที่พี่น้องบางคนอาจจะไข้เขว้ขวเพื่อยั้งแต่ตามไม่จริงถาาว่าเล่าพิจรารณาตามต้นต่อของการที่เท้ากอส่างนะครบ่าน่าจะมีปัญหากันมีแต่มีความผอมเพียงสำ้ำมคขีกันพี่น้องพ่อลงตาเปิ้ลก็ บ, บอกว่าคันคำว่าพระผู้ใดก็ตามญาติโยมมาส่างเนี่ยเปิ้ลพเห็นด้วยคันว่าเจ้าฝ่ายเจ้าเป็นดิน เพิ่นสีไม่เห็ดเพิ่นกพออนรพาะโนรุ่มตามไดอันนี้ก็ลูกสาวของเพิ่นกับเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเข้าขยโยกให้เพิ่นเป็นประธานเพิ่นก็รับเป็นประธานจากนั้นเพิ่นก็มอบให้ลูกสาวของเพิ่นพระ อ, องค์เจ้าศิลิภาจุธาพ่อนเป็นผู้ออกแบบกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัายศิลป ก, กรจากนั้นพระ อ, องค์เพิ่นพระองค์ท่าน เป็นไกด์มาว่างเจรละเลิกเป็นขังกรผลอันนี้เท่าความให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังสรุปเลยกก็คือการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นภาพประสงค์ของทุนขมอมแล้วก็เป็นของพวกเฮาท่านทั้งหลายที่เป็นสิทธิานุสิทธิ์ที่จะสร้างเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตา่ละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้บอ ก, กลักษณะเังซี่ละ ในทีไปชุม่มศรัทธาหยาดโน้มทีไปเข้าไปเบิงแต่พอออกมาจากวัดป่าบ้านตาดกับพวกกลุ่มตั้งกิมเซง็งหลานย่าย่ที่นั่นแหละลูกยักษ์มรคนทีนี่แหละเสียกิจกับผู้ม่ารับเหมา ส, าสา่างซาลาวัดร่วมถ้ำของเฮ่าในะกำลังส่างขึ้นมานี่นะรับเหมาที่อาจารย์ ร อ, อผู้อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดรฮิรั่นรดีศสีกับขอบขั้วของเพิ่นมาส่างถวายเนี่ยเสียกิกเนี่ยเป็นผู้หลับเมาแล้วกัเพิ่นกับเป็นค น, นเสียกิกอยุ่อดอเท่าเนี่ยลูกหลานของตังกิมเซ็งแล้วก็ลงพอให้เป็นคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง เจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเป็นวิศวกรผู้หนึ่งวันไปพอวันจบมาทางวิศวะแล้วก็เป็นผู้รับเหมาในเมืองอุดรผ่านนายพลกระเน็ดเป็นคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับเจดีขององค์หลวงตาเมืองบ้านนายพลกระนิมม่อนหลวงพ่อมาหลับเจตุปัจจัยเสาเข็มเสาเข็มจาก พี่น่องลูกหลานของเพิน่นญาติกโกโหติกาของเพิ่นทั้งพี่ทั้งนองโอ้มื่ว่านในหลายในหลายตนในหม่ว่านเนีเ่เป็นปเกือบสิบตนมัน้งลวกเมืองแต่เป็นตนตนในหกตนแล้วลเหลืงินไม้เอกแต่หลวงพ่อยังบด้หลับนับก็คงจะประมาณสิบกว่าตนอยู่มั้งตนละ 25,680 บาทนะเพิ่นรวบร่วมเมือว่านงคงจะได้สิบพอตนอยู่แต่หลวงพ่อจะเป็นที่ไล่เรียกอีกที่หนึ่งมาหลับหลวงพ่อมาหลับในบ้านของเพิ่นนะเมือว่านี่ลลออนี่แหละหลวงพ่อว่าเมืองอุดรของเฮ้านี่ถ้าหากว่าญาติโกโหติกากุมใดระลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงตาได้การรวบร่วมกันสมทบ ว่างถวายเสาเข็มในข้าวนี่เพราะเสาเข็มมีเวลาจํากัดเนี่ยที่แรกว่าจะใช้เวลาเพียงสามเดือนคณะกรรมการบอกว่าในเมื่อได้รับทราบ พ, พิพิธภัณฑ์อ่าพิพิธภัณฑ์มันเพิ่มเสาเข็มขึ้นอีกแต่ก่อนว่าเพียงสเพียงพันตนนะแต่พอไปพิพิธภัณฑ์ออกมาแล้วก็นับนับเสาพิพิธภัณฑ์อีก ร่วมแล้วเป็นหนึ่งันสองห้าสบเอดต้นหนึ่งพสองห้าสบเอต้นทั้งมดัดตนละสองม่ห้ันหยแปดสิบบาทร่วมเสาเข็มข้าวนี้นะที่จะได้จ่ายสาสบสองล้านหนึ่งสสองมหาพันหอยแปดสิบบาท จะเริ่มตอกตั้งแต่วันที่30มกราหกศูพอวันครบรอบ6ปีขององค์หลวงตาพอดีเด้หลวงตาเพิ่นมรณาภาพวันที่30มสิบมกราปีนี้กับปีปีปีหาซีปีนี้ปี60ศปีพอดีลูกหลานจะไปล่งซองเข็มเสาแหลบให้ไปร่วมๆกันเนอะผู้ใดอยากไปทําบุญเพราะว่า วันที่30ก็เป็นวันขอพรอบองลงตาอยู่แล้ ว, ลวพี่น้องสัท้ายญาติย่อมของจะเต็มวัดละเมือนัดอยู่วัดป่าบันตาศแล้วก็เนี่ยจะได้รวมร่วมจิตตุปัจจัยผู้ใดพี่น้องแสดงความจำนง่งผู้ใดจะเอาสักตนซักตนพนสอง1หเอตนเนี่ยลงพอว่าพี่น้องเช่าอุดอรของเฮ้าเนี่ยน่าจะร่วมกลุ่มกันเจังพี่น้อง พอแม่มีลูกสักคนเอาพู้ตนกันเนาะลูกเข้าเพื่อจะได้เกิดมากพหนาชาตินาก็จะได้ไปอยู่น้ำกันทั้งพีทั้งรองตั้งลูกทั้งล้านเมื่อเข้าถวายเสาเข็มไปแล้วกันก็ตั้งจิตอธิษฐานในตัวบานนี่สาตูเนอผู้ข่าเกิดเกิดมากพหนาชาตินาในบ้อมเพ่นคุณงามความดีถวายเสาเข็ม สางพระจิดีขององค์หลวงตาหลวงตาในหัววกหัวใจของพวกเฮ้าพวกฮ่องกว่าหลวงตาได้เป็นพระทหารหมดยศจากกิเลสหลวงตาประกาศเป็นก็ ป, ป, ประกาศตนเองจังสันเฮ้าก็ยอมรับในปฏิปทาและการนาเนินของเพินสวยงามมาตลอดจนถึงจตินิรพานเพินก็มีคุนู่ประกาศกับประเทศชาติหาท่องข้ามเขาข้างล้วง สางโลงพยาบาลไหพี่น้องประชาชนมีมากมม่คุณนุ่ประการของเพิ่นล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นพวกเข้ามากคงชุดไทยชุดนี้แล้วพวกเขากับปฏิบัติบูชาเข้าก็บรรมแต่อามิตจบูชาที่จะสางพระเจดีย์ถวายเฉิดชูบูชาพระองค์ลงตาผู้ขา่ายจเอาเสาเข็ม ทนอ่านตนทนนี้ตนก็ว่ากันไปละแต้ไหนแล้วก็ตั้งคิตอธิษฐานขอให้ผู้ข่าเกิดมากพบในชาติใดเข้าว่าทุกข์ยากลําบากเข็นใจแย่ใดมีเพราะผู้ขาได้สร้างบุญข้าวนี่แล้วก็ขอให้ผู้ขาพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารถึงแดนปานิพานตามที่ลงต า, าหมดยดจากกิเลสแล้วหรือพระหันแต่สาวกของพระพุทธเจ้าที่หมดยศจากกิเลสแล้ว หรือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกขข็คอยแขาไปเจ้าได้สำเร็จมักสำเร็จผลตามที่พระพุทธตามที่พเจ้าพระอรหันตาสาวกตามที่องค์หลวงตาได้บรรลุธรรมทุกประการโดยเธอนะให้พวกเฮาต่างกิตอธิษฐานยั่งยืนเมื่อเฮาทำบุญเสาเข็มไปแล้วนะ อ, อ, อย่าไปปาถนาว่าคอยแขาไปเจ้าลำลวยสวยงามมัน ปารธนาวัดอยู่ในวัดตะวันในวัดตะสงสารให้ข้องปารธนาถึงพายในผ่านเลยนะในก่อนที่จะถึงพระใิพ่านข่าวไปเจา้าถึงจะเกิดมาได้พบใดชาติใดเขาวัดทุกยากลําบากเข็นใจไฟ่ไพ่วิบัติต่างๆแต่พบผ่าและชนคนผ่านทั้งหลายอย่าได้พบได้พออให้พบปัณฑิตนักปราดเดินทางไปได้ความเรียบร้อยลาบลื่นโดยอเนกสง์ บทผลผลของขาไปเจ้าที่ได้สร้างพระเจดีของพระหรหันในข้าวนี่ข้างนี้นี่แหละด้วยเทิด น, นั่นแหละให้เข้าตัาง้งติดจิตตั้งใจตั้งความปราถนาเพราะว่าการการกุศลเข้าเนี่เป็นการกรุศลทางข้างยิ่งใหญ่เด้บ่เป็นข้งหน่อยเลยสร้างตะวันพวกเข้านะได้สร้างพระธาตุพระนมกอดีได้สั่งลครอนปฐมกอดีนักเต้สั่งพระนครอนสี ธรรมราชก็ดีดอยจุเทพเชียงใหม่ก็ดีนะเข้าเาระลึกเข้าระลึกชาติใดนะเขาก็คงจะภาคภู่มใจขึ้นกันอย่างคุณแม่ชีแกวนะ้วเนี่ยเปิ่นก็บอกในประวัติของเพิ่นอยู่ได้เพิ่นว่าผู้ข่าเนี่ยเคยได้สั่งพระธาตุพนมอยู่เด้สมัยสร้างพระธาตุพนมได้เกิดในชาตินั้นอยู่อ่าได้สั่งพระธาตุพนมร่วมเพิ่นอยู่เด้ในชาตินั้นเนี่ยคุณแม่เพิ่นกเ็เคยเบอกนะคุณแม่ชีแก้วนะนี่แหละอันนี้ขาวว่าพวกเข้าเออ เกิดมาพบนายชาตนาพวกเข้าก็ติสามพระเจดีย์ของหลวงตาพวกเขาก็ค ง, จ, ง, งจะภาคผู้ใหญ่ขึ้นกันเมื่อเห็นพระเจดีย์หลวงตาในตั้งงานแนหะเป็นทีกาบไหวของมนุษย์ทั้งหลายเที่ยวดาทั้งหลายคนนั้นให้พวกเขานะ่ะช่วยๆกันคนละไม่คนละเงินแต่วา่าตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สามสบมกราเนี่ยนะเป็นต้นไปนับไปเลยสามเดือนครึ่งไปว่ามดหมดเขตเสาเข็มเลยได้บ้านนี้ แปลว่าปมดเขตเยาเข็มต่อไปก็เริ่มสร้างพระเจดีย์ลวบัดเนี่ยพิพิธภัณฑ์ล่ะแต่ว่าเสาเี่มเสาเข็มนี่ยเพียงสามเดือนสามเดือนครึ่งเพราะใพวกเขาจะจะไปตกขบวนนะอยากให้ตกขบวนอย่าจะตกขบวนในการเสาเข็มของโลกตาเนี่แหละอันนี้เสาเข็มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดี ณวัดป้าบันตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลงพอบอกชื่อบัญชีว้พรมนะชื่อบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมจดีโดยหลวงพ่อสุดใจทันตมโนคันจุผู้ใดลูกหลานรุ่นใไม้นุ่งสาวที่หัวจักเรื่องบัญชีดีกันนะั่นแหะว่าต้องไปเอาไปมงเอิ้นนะ่โนอนเข้าบัญชีหลวงพ่อชุดใจเลยโมเมนของหลวงพ่อชุ่ใจเราเป็นเสาเข็ม คณะกรรมการเพื่อกระเบิงตรวจรายอยู่ตลอด เ, อเรื่องบัญชีนะ่พระโอนเข้าไปแล้วแล้วก็ธ น, นาคารไทยพาณิชย์เสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมจรีดีหลวงพ่อสุดใจทันตมโนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721237 629-9 เขีดออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์จำนวนเสาเข็ม 1,251 นออต้นต้นละ 25,680 าพรอบาทรวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแล้วนะๆวะ่าทั้งแวดทั้งยังพร้อมมัดอยู่ใน น, ใ น, น, นี้ลไปในเสาตัวนี้ราคาเสาเข็มทั้งหมด32ล้าน 1,25680 บาทเริ่มตอกเสาเข็มวันที่30มกราคมอา2อ6 0าอเป็นต้นไปใช้เวลา3เดือนครึ่งนี่แหละอันนี้คื อ, อที่แจ้งข้าให้พวกเข้าคณะชาตาญาติโน้มลูกลานขันทาวาพวกเข้าพร้อมที่จะรวมสงทบก่นชวยๆกันเนอร์แต่ลงพอนี่ ช่วงพยายามพูดเรื่องเสาเข็มให้ครับพวกเข้าลูกหลานได้รับปูรับราบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองก็มีแต่เป็นผู้บอกกล่าว ต, ตอนนั้นแหละเมือ่อคืนใหลวงพ่อก็อได้ไปเทศอยู่ห้อ ง, องประชุมเจริญโฮเต็ลสำหรับพวกชมรมพวกพ่อข้าพวกข้าราชการพวกลูกหลานนักศึกษา ที่ไปฟังโอ้มขึ้นก็ล่นลามนะเอล่นลามเมื่อขึ้นเอ่ที่จะเลืิญโหัวเต็นอืมแต่หลวงพ่อก็ได้เบาเรื่องพระเจดีอีกขึ้นกันเอการที่จะกาววันนี้จะ ก, ร ะ, กระตมที่จะไปกาวหรือว่าเอไม่เห็นด้วยเอหรือว่าเอที่จะพูดในอยังออกไปเกี่ยวกับการคุ้นสนทั้งหลายทั้งปวงเนะ มันต้องได้คิ ด, ดเดขั้นบริคิดนี่ยบาปอาคุศลนตัวนั้นจะเขามาตามสนองออที่หลวงพ่อได้บอกมาขึ้นนี่ยท่านพระกุณฑพัิยะเนี่ยเป็นหัวหน้าหัวหน้าในช่างพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจสปะเนี่ยพระองสางใหญ่ดอกสางใหญ่มันนั่นแล้วสางน้อยๆดูแล ง, ง่ายๆแล้วก็เซ็ต ง, ง่ายๆ พวกเข่าเอให้ข้าวกระดูกอธิธาานพระธาตุของพุทธเจ้าก็จะพักกันน่อยเดี๋ยวน้อเปียงอสายไงยังบลเลอร์ปลาะนั่นแหละตั้งหากรักษาอยากก็ตั้งหากต่อไปไพ่ภาคหนาไพ่เป็นผู้รักษาเอาเน้นน้อยก็ได้หรอกเน้นหน้ามูอะไมูทั้งหลายก็เห็นด้วยเอพวกทีพวกทีงงงงเสื่อเสทั้งหลายก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยก็สั่ง พ่อสางขึ้นมากแล้วเกิตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากพระเทระพระขุนทัพพัติญาเนี่ยโตตัวเตี่ยมาตลอดเลยพ่อเหตุใดเพราะว่าเขาอยากสางใหญ่ตัวเองให้สางน้อยออกไป <c oughs> นี่คือการพวกเฮาทั้งหลายนะบอกกล่าวเอาไว้ขั้นเขาอยากสางให้สวยเส็จสวยงดงามตัวเองมาขัดขาดเฮีบอเห็นด้วยสางพ่อปนิกัพ่อแล้วเขามูกเขาอีกทั้งไม่ พอเกิดมาพบนายชาตินานเนี่อหูไปทั้งนึงตาไปทั้งนึงจมูกไปทา้งหนึ่งปากไปทั้งหนึ่งเนีพราะไห น, ไหนใหดเพราะมันขี้ไล่ได้เม็นบัวละเนี่ยแหละให้ระวังมันอองไปบาป ก, กรรมตอนนี้นไปหาไัายเราไปหาดวงวิ ญ, ญญาณไปหาใจเจ้าของนั่นแหละดันั้นขอให้พวกลูกหลานคณะสัทธ า, า, า ญ, ญาติโยมทุกคนนะการที่จะสางคุณง่ามความดีในข้าวนี่ข้างนี่เอาเส้าสางเพื่อภัยหลวงพ่ออินมได้สางเพื่อหลวงพ่ออินเลย หลวงพ่อพี่จะบอกก AL, าวให้พี่น้องทั้งหลายสัทถะญาติโยมไปรวมๆกันสางเน้อหลวงพ่อขยู่อยู่ไปนันปัณิอันยุ73ปีเลยได้ลูกหลาน72ปีเต็มล่ะอย่าง73ปีล่ะออยู่อีกสักสี่หาหกปีก็นับว่าบุญโคแล้วอหลวงพ่อก็ตายแล้วที่เอาไปยังหนาอยากได้นาฉันบอกอยากได้ลาบได้โยชน์ันบอกอยากได้ยังอีกฮ มันผมมีแน่วจากใจมันมันพ่อแล้วถึงป่านนี้แล้วแต่อยากเห็นเกียรติของหลวงตาเพราะหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีประคุณต่อโลกเป็นผู้เป็นผู้มีประคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นภู้มีพระคุณสาหรับผัวเข้าทุกคนในตั้งหากคนในชาติผู้ใดใส่ธนบัตรใส่เงินเข้าไปกันนั่นแหะลึกถึงคุณผุนคุณของหลวงตาสมัยบ้านเมือง3940ศนย บางเมื่อจะล่มทั้งยืนข้านั้นเศรษฐกิจดําเนินกิจการพิษพลาดประเทศจะล่มทั้งยืนลงตากระโดดองคมาช่วยหาท่องข้ามเขาข้างหลวงไปถึงสิบสามตันเงื่นตอนลายสิบล้านกว่าดอนลาถ้าคิดเป็นเงินไทยคูมือเป็นหมืนม่นหมื่นเป็นหมื่นล้านกว่าล้านเลยลูกล้านเลยมานในเงินจํานว น, านอยู่ใสยท่องจํานวนจำนว น, นยู่ใสยอยู่ในข้างหลวงเป็นเครื่องประกัน ประกันพิมพ์ธนบัตรออกมาให้มีคุณค่านะในเมื่อเข้ามีทองขํามหลายๆท่องข้ามเงินของกระดาษของเขาก็มีคุณค่าบนว่าเป็นกระดาษโกงเตกกันไปบอกบอคือเงืนเมืองเหล้านะเงืนเมืองเหล้าจะแสดงว่าพบมีท่องข้าในทองประคั่งทอ ง, ทองปะคั่งเพราะท่านรวยเนะนี่ยนะเงื่อนไทยของเขานะนี่ลงตาเนะี่ยเป็นงเงื่อนทอ ง, ข, องขําเขาข้างหลวงยดนี้แหละ เพราะนั่นพวกเข้าได้ใช้เงินขององค์หลวงตานี่ยแปลว่าท่องขํามหลวงตาเนี่ยคำประกันในธนบัติของเข้าที่ใช้ยูนยที่มีคุณค่านี่แหละหลวงตาเลยมีคู่นู่ประกรันต่อประเทศชาติมากม่ในลูกหลานถ้าคิดไปแล้วนะบนรรยายนะพระคุณของหลวงตานี่ยบรรยายนั่งได้ว่ามีบันจบบรรสินบรรไปเพราะเพิ่นทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศมาในโค้งสุดท้ายของพวกเข้าละ พวกข้าขเสียสระคนละหาบาท10 บ, บาทค้นตั้ง6เกือบเจสล้านค้นนี่คิดพวกนู้นเอาค้นลยสิบบาทก็พอเอพื่อบูชาพระคุณหลวงตาทดแทขคืนคืนพระคุณหลวงตานั่นแหละเอาคองเจดีของหลวงตาก็คงจะเป็นไปโดยความเรียบร้อยลาปลื้มได ประนันคอให้พวกเราทุกคนนะให้ฟังติดตามนะเรื่องเจดีปิพิธัวั์ของหลวงตาหลวงพ่อเนะี่เป็นห่วงบ่กับเป็นห่วงอยเพอพอเหตุใดนักใหญ่บ่ก็พูดถึงคำนักใหญ่เอแต่ว่าเป็นห่วงไงกัหลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนจักชวนไปแต่ว่าชักชวนไปแล้วพี่น้องประชาชนบ่หเห็นความสําคัญบ่หเห็นความ พ อ, อเห็นประโยชน์พอเห็นความสําคัญหลวงพ่อเองกันพร้อมที่จะปล่อยว่างพอละหลักธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยเพิ่นก็นบอกเลยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่หลวงพ่อกันยึดธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ในใจอยู่เสมอว่าถ้าว่าเป็นไปบ่ได้ก็ต้องอุเบกขาเดี๋ป็นนักใจเฮงะในโลกนันนี้แต่ถ้าเป็นไปใดก็มีเป็นประโยชน์น้าลูกหลานน้า เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเช่าอุดรของเขานะ่ะเป็นอันดับแรกนะคนทั้งหลายลังไหลเของมามา ก, กาบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้กันพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมทุกวันเลมีซื้อเสียงโด่งดังกว่าในจังหวัดอื่นก็เพราะอะไรเพราะพระธาตุพนมอยู่ในจังหวัดนครพนมพระธาตุนครปฐมที่มีซื้อเสียงก็เพราะว่า ประทัดนครปฐมเอเป็นปฐมพระเจดีนครศรีธรรมราชคือกันเอนครศรีธรรมราชกันนีพิพัฒน์นครศรีธรรมราชอไพ่ไปก็จะไปกราบต้องนั่นก่อนนี่คือกันนะขันวาร์เข้าสังพระเจดีขึ้นมานะ่ะเจดีลงตาขึ้นมาลงตาเป็นผูทถ้ำโคโนปาการโดดเด่น เ, เด่นดังอยู่แล้วในยุคปัจจุบันเป็นประวัติของเพิ่นงถือสวยงามอีกต่างหาก ในเมื่อข้าสารขึ้นมาแล้วค้นต่างทินต่างแดนต่างประเทศต่างชาติเขามาหยิบเหยียบพื้นแผ่นดินไทยเออทราบว่าสมัยหนึ่งประเทศไทยดำเนินกิจการผิดพลาดประเทศจะล้มทั้งยืนตำตมยำกุ้งข่าวนั้นอะ่ะปี3940มีพระแก่องค์หนึ่งพระในพระพุทธศาสนาออกมา ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วออกมาระดมทุนหาทองคำเข้าคลังหลวงเ ด, วเดี๋ยวนี้มีพิพิธภัณฑ์ของท่านนะอยู่ตรงไหนอะ่ะ อ, อยู่ในประเทศไทยเขาว่ามีภาษาไทยภาษาอังกฤษาภาษาจีนด้วย เ, เราน่าจะไปศึกษาดูนะเขามาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยเขาก็จะลั่งไหลเขามา เ, เขามาในทองทินของโวกเข้า เป็นประโยชน์กับไพรสบาน่ะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับจังหวัดอุดรของเฮ้าเนี่ยนะเพราะนั้นพวกเฮ้าต้องคิดไกลๆนะลูกหลานนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนกันว่าเป็นการทํา้ายพวกลูกหลานบางกลุ่มเกิดความระแวงแข็งใจเพราะทำไเป็นการทํา้ายปฏิปทาขององค์หลวงตาที่มาสั่งพระเจดีหรือพิพิธภัณฑ์อยูุมองนี้ทําไมคนวุ่นไหวทรับสนวุ่นไหว แต่ตามไม่จริงหลวงพอดูแล้วในภูมิปิทักษ์หรือภูมิภูมิสถานทีแล้ววัดกับตรงนี้มันห่างกันอยู่ตรงไปต่อไปผ้าอีพางนาทวัดพระสงฆ์ต้องการความสงบก็ปิดประตูเลยว่าต่อให้คนเข้าไปเพลนพ่านแล้วไอพ่อวนาอยู่ข้างในเนื้อที่หนึ่งรอยหกสิบไร่หลวงพ่อเ็เคยอยู่บันดาตั้งสิบสี่ปีนะหลวงพ่อหูจักทบหัวและแห่งของวัดป่าบันดาษ อยู่ก็องหลวงตาถ้าพระสงฆ์ถลายเปพ่าวนายุหันก็ได้ไม่ต้องออกมาอันนี้มันเป็นสถานที่เป็นพุทธท่าวาดอันนั้นเป็นสังฆาวาสสังฆาวาสเปตริยูของพระสงฆ์พุทธ่าวาดเป็นสถานที่เข้ารบสักดิระของพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทสี่ให้มาอยู่ตรงที่นี่นหะตรงข้างนอกนี่เนี่แหละอันนี้ก็คือ การรักษาปฏิปทาของหลวงตาหลวงพอ่อพระเดชเย็บย่าทํำไรแน่วความคิดของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจา้าขั้นสั้นก็จะให้ค้นมาสั่งบ้านสั่งเพือนออมวัดสิเพื่อรักษาปฏิปทาของหลวงตาสิเฮ็ดจังสั้นไดจังได้นอกจากวัดเขามีสิทธิ์ที่จะมาสั่งบ้านสั่ง เ, ง เ, เพื่อนไดเมื่อนั่นหลอกปัดเพรอะไรเพราะเป็นที่ดินของเขา อันนี้คือกานวัดเข้าก็มีเขตมีขอบมีเขตมีรั่วไปแล้วสำหรับให้พระสงฆ์ปภูปฏิบัติจติตตภาวนาอยู่ขางในว่าต้องคนว่าต้องให้คนเขาไปหุ่นไหวอันนี้ละคือลงพอของพ่อแม่จิตคือใดคือถ้ำเหยียบย่ำทำไร่ทำค้าสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเขาคิดบวกลบคูณหารไปหมดแล้ว ยังอง์หลวงตามหาบัวไปศึกษากับหลวงปูมันบ้านน้องผือกนาไนอำเภอพลานาในข่มจังวัดสกลนครหลวงตาก็บริเวณบ่ิเวณที่ไปรักษาปฏิปทาของหลวงปูหมันอยู่วัดน้องผือกนาไนเพื่อนก็มารักษาปฏิปทาอยู่พี่พระปาบ้านตากห้ า, างต่างหลายร้อยกิโลเอ่ยังพระพุทธเจ้าขึ้นกันอยู่ประเทศอินเดียเพื่นก็ประกาศพระพุทธศาสนาอยู่พุ่น ภาษาพกทั้งหลายเพื่นก้ารักษาปฏิปทาของเพื่อยู่พุ่นบัถ้าเฮ้ายูผีอยู่เมืองไทยไป น, นะห้างกันจะเป็นหลายล้อยกิโลเออหลายล้อยหลายพันหลายหมื่นกิโลม่อยู่เมืองไทยเฮ้าก็มารักษาปฏิปทาของเพื่อนยููผีนะอันนี้เฮาก็รักษาปฏิปทาหรือว่าแนวแนวแถวความ่ำทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ หลวงพ่อว่าเพราะจำเป็นเขาจะไปตั้งจุกปุกรักษาปฏิปทาอยู่วัดป่าบันตาดเขาจะไปรักษาอยู่ไซก็ะไดถ้าเขาได้รับธรรมขั้สอนของเพลินแล้วนะมิตรหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยตีว่ารักษาปฏิปทาแล้วรักษาถวยลาบหรืรักษาถวยกุ้ยเตี้ยวไว้ให้มันข่ำเออคือคื อ, อยุหลงพ่อวานะอันนี้เป็นความเหตุของพ่อหอกว่าเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะชาติาญาติโยมทุกขูทุกคนฟังนะ แนวความคิดของหลวงพอ่อหลวงพ่ออยากจะให้พวกเข้าทันทั้งหลายเนะีย่ยปฏิจิตปฏิปทาของหลวงตาปฏิบัติศีลปฏิบัติร้ำประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของเจ้าของนะั่นบานแล้วต่างคนต่างไปเลยผมไม่พอได้ซีอู่หอดลอยปีดอกหลวงพ่อก็อยู่จักปอีอีกพวานานหลวงพ่อก็จะไปแล้วพวกเข้าท่านทั้งหลายขึ้นกัน่ะอสิดันครึ้นยังขึข้งยัง เห็นด้วยเพราะเห็นด้วยอีกสักหมือหนึ่งก็จะต้องไปอีกขึ้นกันออาตอนนี้ไปรับพ่อในมานีนะ